วันนี้เป็นวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2559หลวงพ่อเดินทางออกจากวัดฉันจังหันเช้ามืดของวันที่11เพราะหลวงพ่อไม่รู้ว่าการเดินทางใน ร, ระยะทางจะไกลขนาดไหนหลวงพ่อไม่เคยไปก็เลยเตรียมไว้แต่นั่นเนินออก เลฉันจังหันแต่เช้ามืดพอได้อารุณแล้วก็ฉันอาหารที่สาราประชาคมไปพระสามองค์โซเฟอร์ออกจากวัดประมาณสักเจ็ดโมงกว่าๆนะนั่งรถไปเรื่อยๆไม่มีจอดเลยไปถึงอำเภอวังน้ำเกียวจังหวัด นครราชสีมาขึ้นไปทางปักอำเภอตะปักธงชัยนะขึ้นไปก็ไปแวะวัดที่หลวงตาเคยไปพักนะที่ท่านโสภาพระอาจารย์โสภาสร้างเจดีขึ้นมาที่หลวงพ่อพูดถึงบ่อยหลวงพ่อไปเห็นแล้วเมื่อวันที่11นะหลวงพ่อไปก็เลยเออจะตุปใ จ, จเตียงไปจากวัดของเราคณะสงฆ์และคณะสัทธาญาติโยม วัดป่านาคำน้อยได้ร่วมสมทบสร้างเจดีย์ถวายองค์หลวงตามหาบัวที่วัดพระอาจารย์โสภารอำเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาคณะวัดเราร่วมสมทบรวมสองแสนบาทสองแสนบาททวนคณะเราทุกท่านโปรดอนุโมทนานะอันนี้ก็คือ จะตกปัจจัยที่ได้มาหลวงพ่อน่ะไปสวมสมทบถ้ามีอีกก็าคงจะเอาไปถวายท่านอีกเหมือนกันนะพอไปดูๆแล้วโอ้เจดีย์สูงแต่ข้างบนเสร็จลงมาแล้วทั้งทั้งยอดเสร็จลงมาแล้วลงมาใครข้าวโดมตกแต่งลงมาโดมตกแต่งลงมาแล้วข้างบนแต่ข้างในแต่ ดูข้างในโอ้โหยังมากอยู่มีอยู่3ชั้นตดีวนี้กำลังตกแต่งชั้นชั้นที่สได้หน่อยนึงพูดง่ายๆแล้วก็บริเวณทางนอกก็ยังก็ยังไม่เสร็จแล้วก็ชั้นที่สองนะี่กำกลังเริ่มอีกเหมือนกันแต่ชั้นที่1น่ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นจะเป็นจะฐานที่เก็บของผ่าวัดชูงกลาง40เมตร ถ้ารวมทั้งฐานด้วยฐานรอบนอกประมาณเจ็ดสิบกว่าเมตรไม่ใช่เล็กนะแต่หลวงพ่อไปเห็นแล้วว่าไม่ใช่จะต้องกินเงินมากอยู่แต่ฟังฟังดูที่ท่านพูดที่แรกกว่าประมาณทัก้าสิบปานแต่แดดดวที่มันร้อยเก้าสิบปแล้วงั้นยังไม่ยังไม่เสร็จเนี่ยแหละเรื่องเจดีไปดูแล้วก็เราพวกเราได้รวมสมทบ จากนั้นก็ได้พักอยู่ที่วัดท่านพอเย็นๆประมาณสักสีห้าโมงก ว, กว่าก็ได้นั่งรถไปที่วัดหลวงปู่อุทัยวัดอะไรย่านะสัมปันโนเขาใหญ่ไปก็ถึงแล้วก็พระก็ออนิ ม, มนต์บอกว่าหลวงพอ่ขอขอนิ ม, มนต์หลวงพอ่อหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อก็เอาไปปฏิเสธจากนั้นพอพระสงฆ์สวด พระปริตะมงคลเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงปู่บุญมาขึ้นแสดงธรรมหลวงพ่อก็เลกขึ้นไปฟังจากนั้นองค์ที่สองหลวงพ่อก็เป็นองค์แสดงธรรมแสดงธรรมจบแล้วก็ก็ไม่ได้ไม่มีองค์อื่นอีกนะท่านก็จบมีการแสดงธรรมเพียง2องสองกันหลวงปู่อายุหลวงปู่ไทยอายุ80ปีที่ท่านทำบุญกล่าวนี้ครั้งนี้รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนก็นล้นหลาม แต่หลวงพ่อก็ได้บอกกับคณะสัตยา ญ, ญาณโยมองค์ท่านด้วยบอกวันหลวงพ่ออายุเจ็ดสิบกว่าปีคงจะมาเป็นครั้งสุดท้ายคงจะไม่ได้มาอีกถ้านได้มาก็เออเอได้มาถ้านไดมาถ้าไม่ได้มาก็สัตยา ญ, ญาณโยมให้รับทราบนะหลวงพ่อกว่าที่จะมาถึงไกลเหลือเกินออกว่าที่จะมาถึงได้แต่ น่าเคารพ บ, บูชาวงหลวงตาอายุเก้าสิบกว่าปีท่านมาเขาใหญ่เนยสองสามวันมาสี่ห้าวันมาครั้งหนึ่งโอ้ท่านมาได้ยังไงแต่ขนาดเรานา น, านๆไม่รู้เท่าไหร่ไปเพียงครั้งนี้ครั้งเดียวเข็ดขยาดแล้วแล้วจะให้ไปอย่างนั้นอไม่ไหวแน่สุขภาพของเราน่นแหละเมื่อจากนั้นก็ ตอนเช้าก็บินทบาทฉันเราก็มาวักมาพักที่วัดกลับมาจะเข้ามาวัดเลยก็ไม่ได้เพราะว่ามีงานศพของคุณโยมที่เป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตาเหมือนกันก็เลยมาแวะพักที่วัดรวมธรรมคุณเมื่อ ว, วานะก็เลยเขาได้มนต์แสดงธรรมอีกที่วัดโพธิสมพรงานคุณแม่ทองใบ ริมไัยบูนอายุก็ยังไม่มากเท่าไหร่เจ็ดสิบแปดปีนะ เ, เป็นลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตารู้สึกว่าพี่น้องประชาชนให้ความเคารพรักมากเหลือเกินเมื่อวานไม่เคยเห็นงานศพไหนที่คนมากถึงขนาดนี้เมื่อวานแถวยาวเหยียดเลยเขาไปวางดอกไม้จันทร์นะลูกชายของท่านก็นเป็นอาจารย์ หมอรุ่งเรืองที่ดูแลองค์หลวงตาแล้วก็คงเป็นหมอที่มีน้ำใจดูแลหลวงปูล่ลีหลวงปู่บุญมีหลวงปู่เพียนครูบาอาจารย์แล้วก็พระสงฆ์เก็บไข้ได้ป่วยนะแต่เมื่อวานคงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมอีกมั่นกันตอนบ่ายที่วัดโพธิสมพรจากนั้นก็เสร็จแล้วก็กลับวัด แต่ขณะนี้พระในวัดของเราก็สี่สิบรูปนะคณะตถาญาติโยมลูกหลานพระอย่างมากอยู่นี่หละได้ยินแต่คนล้มคนตายแต่เมื่อวานนยพอมาถึงวัดแล้วก็ทราบว่าเสียต้อมก็โทรมาอีกว่าเตี๋ยเสียแล้วนะหลวงพ่ออา้าวเตี๋ยเสียต้อมเสียแล้วนะ เสียไปเมื่อวานเนประมาณชักสิบโมงกว่ากว่าเป็นยังไงล่ะป่วยอะไระคงจะเหนื่อยนอนปเฉเฉยนี่แหละางั้นหมดสภาพก็เลยไปยได้ไ ง, ง่ายง่ายไปเมื่อประมาณชักสิบโมงเดี๋ยวนี้ก็เก็บศพไว้ที่นั่นะคงจะประชุมเพลิงที่วัดวังน้าวัดวัดบ้านเขาวัด ที่ท่านตระกูลของเขาสร้างไว้นะ่ะหวังน้ำเปลี่ยวจังหวัดสระเซิงเสาจะประชุมวันไหนวันที่ยี่สิบวันที่ยี่สิบจะมีมไปประชุมเพลิงคงจะตามปกติส0บสี่สสิบห้าสิบหนาฬิกามั้งตามปกติเป็นอย่างนั้นหละแต่ถ้าไม่มีอะไร หลวงพ่อคงจะได้ลงไปเพราะเป็นตระกูลโยมอุปถรรัมภะถาเผากันเพียงครั้งเดียวก็คงจะไปหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อเพิ่งขึ้นมาคงลงไปเร็วไม่ไหวนะต้องดูสุขภาพซะก่อน น, อนละ่ะวันที่ยี่สิบอาจจะลงไปเลยลงไปแล้วก็คงจะไปในงานและก็คงจะกลับในวันนั้น ก็ยังไม่แน่นะดูก่อนดูเหตุการณ์ก่อนนี่แหละฟังฟังดูแล้วมาถึงจุดนี้นะามาถึงจุดนี้อย่างทุงพออายุเจ็ดสิบกว่าปีเนี่ยแต่สมัยน้อยหนุ่มอกลุ่มที่เกิดขึ้นมาก็าไม่เป็นไรไม่ค่อยได้ยินแต่พอมาถึงจุดสุดท้ายปลายแถวเนี่ยเดียวก็ได้ยินว่คนนั้นมีแต่คนรู้จักมักคุ้นกันทั้งนั้น รู้จักมรคนอายุเจ็ดสิบแปดสิบพอหลวงพ่ออายุหลวงพ่อเองก็เจ็สิบเอดแล้วนะาบางทีเหกสิบไปก่อนก็มีเจนะ็ดสิบเจ็ดสิบแปดสิบร่วงโรยเหมือนกับใบไม้ร่วงใบไม้มันหล่นใบไม้เหลืองมันหล่นมันหมดอายุของมันลักษณะอย่างนั้นแหละแต่เราก็เหมือนกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะ รงหลุนลงเมื่อไรเราต้องเตรียมพร้อมไว้เหมือนกันทุกคนให้เตรียมพร้อมไว้มลรังเมยีข้าจะต้องถึงจุดจบสักวันหนึ่งเกิดมาแล้วจะไม่ตายได้ยังไงเกิดมาแล้วต้องตายก่อนที่จะตายเนะี่ยไวไลยไว้ฝีเือไว้คุณงามความดีเอาไว้อย่าไปเอาไว้ร่องรอยแห่งความชั่วชาลามก สิ่งไหนที่เป็นช่วยชาลามกรู้ไหมอายุเกิดมาตั้งเจ็ดสิบปดสิบปีรู้ไหมถ้าหาว่ารู้แล้วก็ไม่ควรจะทําในสิ่งที่มันชั่วยช่วยชาเสียหายควรจะพูดควรจะทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมต่อวัดวาศาสนาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ควรจะคิด ควรจะพูดควรจะทาสิ่งนั้นให้ดีที่สุดสิ่งที่มันไม่ดีรู้ไหมไม่ดีรู้ไห ม, ไม ด, หมดีถ้าศึกษาดูก็จะรู้ได้อย่าไปดันทุลังอย่าไปใช้จิติมานะต้องใช้หลักเหตุผลตอให้ถูกกับโลกสมมติพอโลกไปนี้ไม่ใช่เราอยู่คนเดียวอยู่กับพี่กับน้อง กับญาติโกโหติกาวงสาคานายาตประเทศชาติบ้านเมืองต้องมองไกลแต่ก็ไม่ใช่เกเกี่ยวญ่ามุงเมืองไม่ถึงขนาดนั้นอันไหนคือเหมาะสมอันไหนคือถูกต้องอันไหนคือเป็นธรรมอันไหนถูกโกรกสมมติแต่มันถูกแต่ใจตัวเองคนด่าทั้งบ้านทั้งเมืองมันก็ไม่น่าจะถูกถ้าว่าถูกใจตนเองเอาแต่ใจตนเองคนซุบๆชิบชนินทากาเล ทั่วบ้านทั่วเมืองก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น เ, เราต้องทำให้ถูกการสถานที่บุคคลให้ถูกโลกสมมติมันจบแล้วก็จบไปไม่ใช่ว่าโลกสมมติเขาพากินเหล้ากินไม่ใช่เราต้องรู้เราต้องเอาธรรมเข้ามาวัดออลองเอาศีลเอาธรรมเข้ามาวัดทามัน พอจะยืดจุนได้ก็เออยืดยุ่นให้มันจบจบไปอ่าไม่ใช่ว่าดันทุลังเอาแต่ใจตัวเองจากนั้นเขาก็หลังเกียดเตียดฉันดูด่าตัวเองดูถูกตัวเองทั่วบ้านทั่วเมืองพองานเสร็จไปแล้วจบไปแล้วตัวเองตายไปแล้วคนก็จะมาด่าที่หลังอีกอไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทาให้มันถูกต้อง ทำให้มันเป็นธรรมทำให้ถูกโลกสมมุติทำให้เป็นธรรมไม่ใช่ถูกโลกสมมติอย่างเดียวนะทำให้เป็นธรรมเป็นธรรมเกิดคือหลักเหตุผลหลักเหตุผลของโลกหลักเหตุผลของธรรมหลักเหตุผลของเรื่องนั้นนั้นสถานการณ์นั้นๆเหตุการณ์นั้นๆั้มันเกิดเฉพาะหน้าขึ้นมาเราควรจะทำอย่างไรมันจะถุกมันจึงจะถูกต้องมันจึงจะเหมาะสม แ ก, แก้ไขปัญหาเฉพาะน้าถึงจะไม่ถูกใจเราเท่าไหร่แต่มันถูกโลกสมมุติเราก็ต้องผ่อนปลนลงให้เขามันผิดมากไหมเสียหายมากไหมถ้ามันเสียหายมากถึงยังไงกูหัว่าเด็ดตีนขาดเราไม่เอาเราจัดงานขึ้นมาให้ไปเลี้ยงเราให้ละค่าวัวค่าควายอย่างนั้นเราหัวเด็ดตีนขาด แต่ถ้าไม่ถึงขนาดนั้น เ, เขามามาในงานมาโขนมามากจะทำยังไงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละพวกเราก็ต้องยอมรับเราจะไปปฏิเสธเป็นดาเขาก็ไม่ได้มาทำไมข้าไม่ต้องการหน้ามนุษย์หน้าไหนทั้งนั้นละ อ, อย่ามา ถ้าไปด่าเขาอย่างนั้นจะทำยังไงอมันถูกไหมเมื่อเขามาเขามาเจตนาดีเมื่อเจตนาดีเราก็สนองเจตนาของเขาคือเอาเชิญมาแต่เรารับไหว้หรือล็อบไม่ไวอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะพี่น้องให้ใ ห, ให้เห็นใจเจ้าภาพนะ เ, เรายินดีจะให้อำนวยความสะดวกทุกคนอแต่ว่าเราให้ รู้แก่ใจของใครของเราเถอะถ้าว่าเป็นคุณล่ะเป็นคุณล่ะถ้าคนมามากขนาดนี้คุณจะรับไหวไหมถ้ารับไม่ไหวล้าจะทำยังไงนะให้ช่วยตนเองนะพี่น้องลูกหลานนะเราก็เจตนาดีท่านก็เจตนาดีมาพบกันมาเจอกันดีแล้วมาเห็นหน้าเห็นตากันดีเนะี่ยเราก็ต้อง บางสิ่งบางอย่างเราต้องทำใจนะไม่ใช่ว่าดันทุกลังเห็นคนมามากก็เข้ามาวัดกองเรามามากก็ฟัดก็เฟยียดก็วัดก็เวียงแต่พอคนไม่มาหาคนนั้นบัตร เ, เชิญคนนั้นบัตรเชิญคนนี้ขอร้องคนนั้นคนนี้ให้เข้ามาล้วนแล้วแต่มันไม่พอดีทั้งนั้นแหละความพอดีอยู่ตรงไหนให้พวกเราคิดนะการอยู่ที่โลกสมมติให้มันถูก ถูกโลกสมมติแต่อย่าให้มันเกินไปเอาทำนะเข้าไปวัดลังวัดเอาทรรมกับโลกนะให้มันไปด้วยกันได้พอเราอยู่ในโลกสมมุตินะหลับผ่อน